สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิเสียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพิสเพียซูตอนที่สามร้อยสี่สิบสี่ในพูดถึงเรื่องของการที่พรยเยซูได้ถูกใช้จากพระบิดาและพระเยซูทรงเป็นพยานว่าพระเจ้าพระบิดานั้นทรงเป็นสัตว์จริงเพราะฉะนั้นหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือพระเจ้าผู้ทรงสัตว์จริงพี่น้องครับ พระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระธรรมยอ 8, ์บทที่แปดข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิบครับยอนบทที่แปดข้อที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่สามสิบโปรดฟังพชาชนะของพระเจ้าพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าเราจะจากไปและท่านหลายจะสแสวงหาเราและจะตายเพราะบาปของท่านที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านทั้งหลายไปไม่ได้พวกยิวจึงพูดกันว่า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 ท่านจะต้องตายในการบาปของตัวเขาถามพระองค์ว่าท่านคือใครเราพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแล้วเราเป็นดังที่เราได้บอกท่านทั้งหลายแต่แรกนั้นเราก็ยังมีเรื่องอีกมากที่จะพูดและพิพากษาท่านแต่พระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงเป็นสัตว์จริง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 เราจึงกล่าวอย่างนั้นและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลําพังเพราะว่าเราทําตามชอบพระทัยพระองค์เสมอเมื่อพระเยซูตรัส ด, ดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในพระองค์พี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้เราจะเห็นความ เป็นพระเจ้าของพระเยซูและในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูทรงเป็นพยานว่าพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มานั้นทรงเป็นสัตว์จริงพระองค์ทรงเป็นสัตว์รรตรจริงอย่างไรครับก็คือว่าคำสอนคำพูดลักษณะของพระองค์นั้นก็ซื่อตรงซื่อสัตว์เป็นความจริง พี่น้องครับในบริบทนี้ก็คือการถามตอบระหว่างพวกฟอริสีซึ่งต้องการจับผิดพระเยซูกับพระเยซูที่กำลังโต้แย้งและพยายามอธิบายว่าพระองค์เป็นใครและคำสอนของพระองค์นั้นพวกเขาจะต้องตอบสนองอย่างไรพรรี่น้องครับความจริงประการแรกที่พระเยซูตรัสในพระธรรมตอนนี้ก็คือว่า พระเยซูจะจากไปพระเยซูจากไปตอนไหนครับมีความหมายเล็งถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์นะครับพระองค์จากโลกนี้ไปหลังจากที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นเหความตายและเขาจะหาพระองค์ไม่เจอครับและในที่สุดพวกเขาจะตายเพราะอะไรครับเพราะว่าบาปของตัวเขาเองพี่น้องครับ การที่พวกเขาจะต้องตายเพราะการบาปของตัวเขาเองนั้นเป็นการที่เขาจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของพระเยซูเพราะพระองค์ได้เสด็จมาในโลกนี้เพื่อตายแทนความบาปของเขาเพื่อเขาจะไม่ต้องตายแต่ในขณะที่เขาไม่ยอมวางใจในพระเยซูเขาไม่เชื่อศรัทธาในพระเยซูนี่คือประการแรกก็คือพระเยซูจะจากไปและพวกเขาต้องตาย ประการที่สองครับพระเยซูกําลังบอกความจริงว่าพระองค์นั้น <c oughs> มาจากเบื้องบนและพระองค์เป็นของเบื้องบนในขณะที่พวกเขานั้นเป็นของเบื้องล่างพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราได้บทเรียนก็คือว่าพวกเราเองนั้นเป็นสาวกของพระเยซูเราติดตามพระเยซูเราจึงเป็นของเบื้องบนเช่นเดียวกันครับ คนที่อยู่ในโลกและโลกนั้นเป็นของโลกนี้ซึ่งมีพ่อของมันคือมารครับซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลและการชักจูงล่อลวงอยู่ภายใต้การควบคุมครอบครองของมารซาตานแต่เราเป็นของเบื้องบนครับเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็จะไม่ตายเพราะการบาปของเราแต่กลับกันครับชีวิตของเราจะเดิมเนินอยู่ในความสว่างและมีเป้าหมายคือชีวิตนิรันด์บนสวรรค์ นี่คือประเด็นที่สองประเด็นที่สามครับก็คือในข้อที่ยี่สิบหกที่พูดถึงเรื่องของความสัต์จริงของพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูตรัดตอบไปนะครับว่าและสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์เรากล่าวแก่โลกนี่คือบทเรียนที่สามในเช้าวันนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากพระโอชณะของพระเจ้าทุกๆวันที่เราได้อ่าน เราประกาศหรือเรากล่าวแก่โลกหรื อ, อยังครับใครับเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องติดตามพระอาจารย์ของเราก็คือพระเยซูพระเยซูได้สอนความจริงกับโลกอย่างไรเราก็จะต้องสอนความจริงกล่าวแก่โลกอย่างนั้นและคำกล่าวของเรานั้นจะต้องเรียนแบบพระเยซูก็คือพระองค์ไม่ได้กล่าวเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้สอนเท่านั้นแต่พระองค์กล่าวเพราะว่าชีวิตของพระองค์ ก็สอดคล้องกับคำสอนคำกล่าวของพระองค์เองฉะนั้นชีวิตของเราก็จะต้องสอดคล้องนะครับชีวิตของเราจะต้องเป็นแนะทําเหมือนกับคำสอนของเรานี่คือประเด็นที่สำคัญครับประเด็นต่อไปครับในข้อที่ยี่สิบแปดพระเยซูตรัสกับเขา ว, ว่าเมื่อท่านทั้งหลาย จะได้ยกบุตรมนุษย์ขึ้นแล้วเมื่อนั้นท่านก็จะรู้ว่าเราคือผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้ทรงสอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นพี่นะครับในข้อ28นี้มีสองประเด็นที่สำคัญมีสองคำที่สำคัญก็คือคำว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นมีความหมายว่าการที่พระเยซูจะต้องถูกจับ และถูกตรึงบนไม้กางเขนนั่นเองจากตรงนี้เราจะพบว่าเมื่อพระเยซูถูกยกขึ้นไปแล้วพวกเขาก็จะเริ่มรู้นะครับว่าพระเยซูเป็นใครและยิ่งพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับพวกฟาริสีหลายคนกลับใจใหม่ครับและก็พักพวกของเขาก็เริ่มรู้จักพระเยซูเริ่มวางใจในพระเยซูในข้อที่สามสิบนะครับ พระเยซูตรัสดังนี้ก็มีคนเป็นอันมากวางใจในรพระองค์เหนครับเห็นไหมครับความเชื่อเกิดจากการได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังเกิดจากการประกาศพักทิศเพราะฉะนั้นพระเยซูก็ใช้การประกาศนะครับการประชาสัมพันธ์การบอกครับให้ข้อมูลและคนของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วก็จะเก็บข้อมูลเหล่านี้และเชื่อข้อมูลเหล่านี้ และในที่สุดเขาก็จะยอมรับข้อมูลเหล่านี้คือยอมรับพระเยซูยอมรับพระกิตติคุณของพระเจ้ายอมรับข่าวประเสริฐของพระองค์พี่น้องครับประเด็นอีกประเด็นที่สําคัญก็คือเมื่อพระเยซูบอกว่าเราคือผู้นั้นและท่านก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ทําสิ่งใดตามใจชอบแต่พระบิดาได้สอนเราอย่างไรเราจึงกล่าวอย่างนั้น นะครับประเด็นตรงนี้ครับก็คือพระเยซูทำตามที่พระบิดาสั่งพระบิดาสอนพระเยซูอย่างไรพระองค์ก็กล่าวอย่างนั้นเช่นเดียวกันครับพระเยซูสอนเราอย่างไรเราจะต้องกล่าวอย่างนั้นและจ้องทำอย่างนั้นแต่เมื่อเราทำเช่นนี้นะครับในข้อที่ยี่สิบเก้าสามสิบชัดเจนครับพระองค์บอกว่าพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเราพี่น้องครับ อาเมนะครับพี่น้องเมื่อเราทําตามเมื่อเรากล่าวเมื่อเราพูดเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเมื่อเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าก็จะสถิตอยู่กับเราครับเราก็จะประจักษ์แจ้งถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเราจะประจักษ์แจ้งถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไว้ตามลําพัง เช่นเดียวกันกับที่พระบิดามิได้ทรงทิ้งพระเยซูไว้ตามลำพังเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูทำตามชอบพระทัยของพระองค์เสมออเมนเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในมันคาของพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทอดทิ้งเราเลยและพระองค์ก็จะดาเนินตามน้าพระทัยของพระองค์ และให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราเพราะอะไรครับเพราะเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมออาเมน